والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذل ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت و جههم و قطعا من الليل م ظ ل م ا และบรรดาผู้ขนขวายทําความชั่วการตอบแทนความชั่วในความชั่วเช่นเดียวกันความต่ําต้อยจะปกคลุมพวกเขาไม่มีผู้คุ้มกันพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้เสมือนว่าใบหน้าของพวกเขาถูกปกคลุมไว้ด้วยส่วนหนึ่งของกลางคืนอันมืดทึบชันเหล่านี้คือชาวนรก โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลแล้ววันที่เราชุมนุมพวกเขาทาั้งหมด แล้วเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้ตั้งภาคีว่าจงอยู่ณสถานที่ของพวกเจ้าพวกเจ้าและบรรดาภาคีของพวกเจ้าแล้วเราได้แยกพวกเขาออกจากกันและบรรดาภาคีของพวกเขากล่าวว่าไม่ควรเลยที่พวกเจ้าจะเคารพสักการะต่อเรา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 อัลลอฮ์ ت ت จงกล่าวเถิดมวฮัมมัดว่าใครเป็นผู้ประธานปัจจัยอย่างชีพมาจากฟากฟ้าและแผ่นดินแก่พวกเจ้า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 เช่นนั้นแหละลิขิตของพระผู้อภิบาลของเจ้าย่อมเป็นจริงแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนว่าแน่แท้พวกเขาจะไม่ศลลรทัทมธมา จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามีใครบ้างในหมู่พากีของพวกเจ้าที่เป็นผู้เริ่มแรกในการบังเกิดแล้วให้บังเกิดขึ้นอีกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลลอฮ์ทรงเริ่มแรกในการให้บังเกิดและท ร, ร, ใรงทให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นทำไมพวกเจ้าจึงหันเหอ อ, อกจากความจริงแล้ว قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي ل الحق. أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَي يُتَبَعَ أَمَلَا يَهْدِي إِلَّا أَي يُهْدَى؟ คจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ามีใครบ้างในหมู่ภาคีของผวกเจ้าเป็นผู้ชี้ทางสูงส่สศาสนาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอลัลลอฮ์ทรงชี้ทางสู่สัจธรรมดังนั้นผู้ที่ชี้ทางสู่สัจธรรมย่อมสมควรยิ่งกว่าที่จะรับการปฏิบัติตามหรือว่าผู้ที่ไม่อาจชี้แนะผู้อื่นได้เว้นแต่จะถูกชี้แนะ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 ท้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงรับรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ และอัลกุรอานนี้ไม่ใช่จะถูกปั้นแต่งขึ้นโดยผู้ใดนอกจากอัลลอแต่เป็นการยืนยันคำภีที่มีมาก่อนและเป็นการจำแนกข้อบัญญัติต่ตางๆในนั้นไม่มีข้อสงสัยในคำภีนั้นซึ่งมาจากพระผู้อวิบาลแห่งสาลกอัลูลตรา มมหรือพวกเขากล่าวว่าเขามฮัมหมัดเป็นผู้เรียบเรียนขึ้นจงกล่าวเถิดโมฮัมหมัดพวกเจ้าจงนำมาสักบทหนึ่งเลี่ยงนั้นและจงเรียกร้องผู้ที่พวกเจ้าสามารถนำมาได้นอกจากอัลลอ์หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง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 ดังนั้นจงดูเถิดว่าบันปลายของพวกอาธรรมนั้นเป็นอย่างไรมิและในหมู่พวกเขามีผู้สัทธาต่ออัลคุรานและในหมู่พวกเขามีผู้ไม่สัทธาและพระเจ้าของเจ้า ส่งทราบดียิ่งต่อบรรดาผู้บ่อนทำลายทั้งหลายแล้วถ้าพวกเขาปฏิเสธเจ้าก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการงานของฉันก็เป็นของฉัน และการงานของพวกเจ้าก็เป็นของพวกเจ้าพวกเจ้าจงปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่ฉันกระทำและฉันก็จะเปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและในหมู่พวกเขามีผู้ฟังเจ้าเจ้าจะให้คนหูหนวกได้ยิน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 ถ้าจริงอัลลอนั้นจะไม่สรงอธรรมแก่มนุษย์แต่อย่างใดแต่ว่ามนุษย์ตังหากที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองว ي ي ا ا ันที่จะพิชร์พวกเขาเหมือนไม่ได้เปิดเต่เปลาหนนันที่กอาจะได้พบ อด ب ب และ ว, วันที่พระองค์ทรงชุมนุมพวกเขาประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เดียวในเวลากลางวันพวกเขาทักทายซึ่งกันและกันแน่นอนผู้ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮ์ย่อมขาดทุนและพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง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 ดังนั้นทางกลับของพวกเขาย่อมไปสู่เราแ ล, าล้วอัลลอฮ์จะทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่พวกเขากระทำและทุกประชาชาติมีศาสนาทูตถูกส่งมาดังนั้นเมื่อศาสนาทูตของพวกเขาได้มาแล้วกิจการระหว่างพวกเขาก็ถูกตัดสินด้วยเที่ยงทาง โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมและพวกเขาจะกล่าวว่าเมาื่อใดเล่าสัญญานี้จะปรากฏหากพวกเจ้าพูดจริง ช่องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวฉันเว้นแต่ที่อ AH ัลลอฮ์ทรงประสงค์สำหรับทุกประชาชาติย่อมมีเวลากำหนดเมื่อเวลาของพวกเขามาถึงพวกเขาจะขอผ่อนผันให้ราชาสักระยะเวลาหนึ่งไม่ได้ และจะร่นเวลาให้เร็วขึ้นก็ไม่ได้ช่วงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือหากการลงโทษของพระองค์ประสบแก่พวกเจ้าในเวลากลางคืนหรือกลางวันทำไมพวกอาจากเหล่านั้นจึงขอร่นเวลา ครั้นเมื่อมันเกิดขึ้นพวกเจ้าก็ศรัทธาต่อพรุ่งกระนั้นหรือขณะนี้พวกเจ้าศรัทธาก่อนหน้านั้น พวกเจ้าเคยเย้ยหยันขอร่อนเวลาแล้วมีเสียงกล่าวแก่พวกอธรรมว่าพวกเจ้าจงลิ้มรถกาลงโทษอันจิรังเธอพวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนเว้นแต่สิ่งที่พวกเจ้าขนขวายไว้เท่านั้นบ และพวกเขาจะสอบถามเจ้าว่าการลงโทษจะเกิดขึ้นจริงหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแน่นอนทีเดียวขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันถ้าจริงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและพวกเจ้าจะไม่สามารถรอดไปได้วาอ หาทุกชีวิตที่อาธรรมที่อยู่ในแผ่นดินจะยอมไทยตนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ และพวกเขาก็จะซ่อนความเสียใจเมื่อได้เห็นการลงโทษและจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างเที่ยงธรรมโดยพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมไตอย่างใดนเพิ่งทราบถึงว่า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 بِفَضْلِ فَبِذَالِكَ فَلْ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ จ ال งกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าด้วยความโปรดปานของลอและด้วยความเมตตาของพรุง่งค์ังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจเถิดซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมวกัยความโปรดปรานองลอะด้วยคามเَตต ل ของะค์ จุงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือซึ่งเครื่องยังชีพที่ลออทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าก็ทำให้บางส่วนเป็นที่ต้องห้ามและบางส่วนเป็นที่อนุมัดจงกล่าวเถิดมฮัมหมัด ว่าลอสรงอนุมัติให้แก่พวกเจ้าหรือพวกเจ้าอุปโลกให้แก่อลัลลอฮ์กันแน่และบรรดาผู้ที่อุปโลกความเพศให้แก่อลัลลอฮ์จะนึกคิดอย่างไรในวันปรโลก แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมีบุญคุณต่อมนุษย์แต่ทว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณ และเจ้าไม่ได้อยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดและเจ้าไม่ได้อ่านบางส่วนจากบันในอัลกุรอาน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 لا تبدیل ل ِ ك َ ل ِ م ا ت ِ ا ل ل َ ه ذ ل ِ ك ه و ا ل ف َ و ز ُ ا ل ْ ع ظ ِ ي م ِสำหรับพวกเขาจะรับข่าวดีและในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลิกิตของ ALLAH นั่นคือชาชนะอันดิงกัน و َ ل ا ي ح ز ُ ن ك ق و ل ه ُ م ْ إ ِ ن ا ل ع ِ ز ََ ل ِ ل َ ه ِ ج َ م ي ع ا ه و ا ل س م ي ع الْعَلِ และคำพูดของพวกเขาจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจแท้จริงอานาจทั้งมวลนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรับรู้ เพิ them, and and like so ่งทราบเถิด <defic> ว่าแท้จริงทุกสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกสิ่งในแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ยิงวอลขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั้นจะไม่ปฏิบัติตามภาคีเหล่านั้นพวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามเว้นแต่การคาดคิดเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากการคาดคะเน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 พวกเขากล่าวว่าอระอง์ทรงเอาพระบุตรมหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านพระองค์ทรงพอเพียงจากสิ่งใดๆที่อยู่ ในบรรดาชั้นฟ้าและที่อยู่ในแผ่นดินเป็นของพระองค์พวกเจ้าไม่มีหลักฐานใดๆในการกล่าวเช่นนี้พวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายต่อร้อนในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระดานหรือุองกล่าวเิดมัมัดว่าแท้จริงบราผู้กล่าวเพนต่อร้อนนั้นไม่ประสบความสำเร็จดอจงกล่าวเถิดมฮัมมัดว่าแท้จริงบรรดาผู้กล่าวเพ้ยต่อร้อนนั้นไม่ประสบความสาเร็จดอก ความเพลิดเพลินในโลกนี้แล้วพวกเขาก็กลับคืนมาสู่เราแล้วเราจะให้พวกเขาลิ้มรสการลงโทษอย่างไนระ وَأَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ ل ُ و ح ٍ إذْ ِ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إ ِ ن َ ك َ ا ن َ ك ْ ب َ ر َ عَلَيْكُمْ م َ ق َ ا م ِ ي وَتَذْكِرِ ي ي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ و ا أَمْرَكُمْ و َ ش ُ ر َ ك َ ا ء َ ك ُ م ْ และเจ้าจงอ่านให้เขาฟังเรื่องของดับีนุเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันหากว่าการพักอยู่ของฉันและการตัดเตือนของฉันด้วยองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่จะพวกเจ้าแล้วฉันก็ขอมอบหมายแด่ลอตเท่านั้น พวกเจ้าจงร่วมกันวางแผนของพวกเจ้าพร้อมกับบรรดาภาคีของพวกเจ้าเถิดแล้วอย่าให้แผนของพวกเจ้าเป็นที่ปิดบังแกพวกเจ้าแล้วจงดำเนินการต่อชั้นทันทีโดยอย่าได้ลังเลหากว่าพวกเจ้าผิดหลังให้ ฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนใดๆจากพวกเจ้าแต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอ์และฉันถูกชายให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมละก็ทเถาห์َันเจยินาห์ว่ามัมมาห์ ل ์ฟิลฟุลก์ว่าเจลนาห์มขัลไลฟْว่าอักร์กุนัลล์ดีนละก็ทَถาห์บีอَยาตินาฟัลดร์َค และพวกเขาก็ปฏิเสธเราได้ช่วยเขาและผู้ที่อยู่กับเขาให้รอดพ้นอยู่ในเรือและเราได้พวกเขาเป็นตัวแทนในเวลาต่อมาและเราได้ให้ผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราจมน้ำดังนั้นจงดูเถิดว่าบรรนปลายของผู้ที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไร ลาาลลหลังจากเขาหนัวแล้วเราได้ส่งบรรด า, าศาสนาูตไปยังประชาชาติของพวกเขาและบรรด า, าศาสนาูตเหล่านั้นได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่ตอนุ่มมาก่อนเช่นนั้นแหละเราได้ประทับตราบนหัวใจของบรรดาผู้ฝ่าฝืนเหล่านั้น หลังจากพวกเหล่านั้นแล้วเราได้ส่งมูซาและฮารูนไปยังฟีโรูนและบรรดาผู้ด่าของเขาด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราพวกเขาก็เย่อหยิ่งโอหังโดยที่พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่มีความผิดคั้นเมื่อความจริงจากเราได้มาอย่างพวกเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงนี่คือมายากลอันชัดแจ้งโมซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าได้กล่าวร้ายต่อความจริงเมื่อมันได้มาอย่างพวกเจ้ากระนันรือนี่คือมายากลและนักมายากล น, นั้นจะไม่ประสบความสาเร็จ ด, ดอก قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. فُكَبْلَ เจ้ามาหาเราเพื่อที่จะหันเหรเราออกจากสิ่งที่เราได้พบเห็นศาสนาของบรรพบุรุษของเราและเพื่อที่ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินจะได้เป็นของเจ้าทั้งสองกระดานเรือแล้วเราจะไม่ศรัทธาต่อเจ้าทั้งสองเป็นแน่ลนลและฟิลูนได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงนำมาให้ฉัน นักมายากลผู้เชี่ยวชาญทุกคนเมื่อนักมายากลมาแล้วมูซาได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้าจงโยนสิ่งที่พวกเจ้านำมาเพื่อจะโยนถืนเ ม, มื่ เมื่อพวกเขาได้โยนไปแล้วมูซาได้กล่าวว่าสิ่งที่พวกเจ้าได้นำมานั้นคือมาอยากลแท้จริงอัลลอ์จะทรงทำลายมัน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 ไม่มีใครศรัทธาต่อมูสานอกจากลูกหลานบางคนจากกลุ่มชนของเขาเนื่องจากความกลัวต่อฟิรูและหัวหน้าของพวกเขาจะทำความเดือดร้อนแก่พวกเขาและถ้าจริงฟิรูนนั้นเป็นผู้หญิงพยองในแผ่นดิน และแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้ละเมิดและมูซากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันหาพวกเจ้าศรัทธาต่อหลอพวกเจ้าก็จงมอบหมายต่อปรุงหาพวกเจ้าเป็นผู้ยอมจำนน ن พวกเขากล่าวว่าแด่อัลลอฮ์เราขอมอบหมายโอ้พระวิวาสของเราได้โปรดอย่าให้เราเป็นเครื่องทดลองสําหรับกลุ่มชนผู้อาธรรมเลยและได้โปรดช่วยให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธา ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านด้วยเถิด